วันสำคัญวันหนึ่งของชาวพุทธเป็นวันเพนเดือน3หรือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยจะมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งก็คือวันเจดุลงสันนิบาตคือว่าวันนั้นมีเหตุมาศจานสี่อย่างคือ 1. เป็นวันที่พระจันทร์สว่างสวัยพิเศษเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆเลิกสองเป็นวันที่พระสงฆ์ถึงพันสรลูกมาประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายที่วิรุวันกรุงรัชจะคึกแฟ้มคดส พระที่มาประชุมเนี่ยรู้แต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดสี่พระทั้งหมดเนี่ยพุทธองค์เนี่ยทรงบวชให้เองบวชโดยเอหิพิกขูอุปสัมปทาสอย่างเนี่ยจึงเป็นเหตุอัศจรรย์หลังจากพระธพุทธองค์เนี่ยตัสรู้มาแล้วเก้าเดือนพระองค์ก็แสงธรรมให้ให้พระเนี่ยครั้งแรกอันนี้ก็เป็นแก่นของภูษณ์นาเลยเมื่อกี้ที่เราสวดการโอวาทปาริโมกเนี่ยคือหนึ่งละชั่วสองธรรมดี สัมสจิตให้บริสุทธิ์การลัชั่วก็คือละ ก, กาทําบาปทางกายทางวาจาทางใจทางกายก็มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติเหตุการณ์อันนี้มีสามอย่างทางกายมีพูดเท็จหรือโกหกพูดสอดเสียดพูดคํำยาพูดเพอ้อเจอ้ออันนี้คือการประพฤติชั่วทางวาจามีสอย่างแล้วทางใจมีสามอย่าง ทางใจก็คือมีความโลภอยากได้ของเขาปองร้ายพยาบาทแล้วก็เห็นผิดจากทํานองของธรรมคือมีความเห็นที่ผิดอันนี้เป็นบาปอกุศลที่เราต้องละแล้วก็มาทำความดีหรือทำกุศลก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์แล้วก็ไม่อยากได้ของคนอื่นละเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่เบีเบีนตนไม่เป็นคนอื่น แล้วก็ไม่ประพฤติผิดกตัญแล้วก็พูดจาพูดจาความจริงไม่คือพูดไม่ไม่โกหกแล้วพูดจาไม่สอดเสียแล้วก็ไม่พูดคาหยาบพูดวาจาไพเาะแล้วก็ไม่พูดเผอเจอฟุ้งซ่านแล้วทางใจก็มีไม่โลภอยากได้ของคนอื่นแล้วก็ไม่ปองร้ายพยาบาทคนอื่นให้จิตใจเราเมตตาเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้วข้อสุดท้ายก็ทำความเหตุถูกต้องคือสามาทิฐิเชื่อว่าบุ ญ, บญมีบาปมีชาติด้มีนิพพานมีอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องต้องเรียนรู้แล้วข้อที่สามเป็นข้อสำคัญมากเลยการชำระจิตของตัวให้ให้สะอาดบริสุทธิ์เนี่ยก็คือการมาภาวนาอย่างวัดเราก็มาเจริญสติสร้างความรู้สึกตัวเพราะถ้าเราไมมาเจริญสติไมภาวนาเนี่ย เราจะถูกนิวรณ์ครอบงำนิวรณ์ห้าอย่างก็มีการไปฉันทะความพอใจในกามแล้วก็ความพยาบาทความหดหู่เสื่อมซึมความขี้เกียจต่างๆแล้วก็ความฟุ้งซ่านความรัรงเลสงสัยอันนี้เป็นนิวรณ์ ท, ที่งามเราตลอดถ้าเรามาเจอสติมาสร้างความรู้ตัวเนี่ยแล้วก็ออกจากนิวรณ์ได้ทําให้เห็นโลกตาฝาเป็นจริง พอถ้าเกิดเราไม่เจริญสติเราก็จะไม่รู้ว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่รู้ว่าเราทําบาปบางทีเราคเ ข, ข้าข้างกิเลสตัวเองแล้วก็ไม่รู้ด้วยวันไหนทำแล้วเป็นกุศลอกุศลมันแยกไม่ออกอจากผู้พูดือ ว, ว่าพูดจากประสบการณ์ตัวเองบางทีเราสิ่งที่เราทำบางทีก็ผิดเราก็ไม่รู้ตัวนะค่อยเรียนรู้ถ้ามาปฏิบัติธรรมถึงเริ่มรู้ว่าตัวเองเดีย่ยเป็นอย่างงี้ไม่ทําให้ถูกอะไรย่างเงี้ยต้องอาศัยเวลาเหมือนกัน เราบางทีการสอนตัวเองเนี่ยก็ยากอรรมาก็ว่าเขาคิดสอนคนอื่นเพราะรู้ว่าสอนยากเพราะแต่ละคนจะมีอัตตามีกิเลสตาครอบงำอยู่แล้วพวกนั้นตัวเองด้วยคือจะโยนความผิดให้คนอื่นว่าเราเนี่ยเป็นคนถูกต้องโดยธรรมชาติอัตตาเนี่ยจะเอาตัวเองไปศูนย์กลางว่าถูกต้องคนอื่นผิดเราถูกแต่ถ้าเรามาเรียนธรรมะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นตัวเองว่าเราเป็นคนไม่ดี เป็นคนโลภคนโกรธคนขี้ฉาคนมีมานะคนเปรียบเทียบคนน้อยเนื้อต่ำใจและอื่นๆมากมายที่เรามองไม่เห็นเราเริ่มมองเห็นปุ๊บเราก็สามารถแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ต้องอาศัยการจรติตสติเป็นทางไปทางที่ตรงเพราะสติเนี่ยเปรียบเหมือนกับเป็นเบรก อย่างธรรมชาติเนี่ยคนเราก็เหมือนกับเป็นรถเนี่ยรถถ้าไม่มีเบรกอันตรายไอาะไปชนนู่นชนนี่บางคนก็ไปติดคุกติดตารางเพราะว่าไม่มีเบรกพอโกรธปุ๊บก็ไปทําร้ายเขาบิเดเบียนเขาทําไปแล้วก็มาเสียใจหรือเกิดความอยากได้ของคนอื่นก็ไปโกงเขาไปไปป้นจี้ก็มีแล้วก็ติดคุกติดตารางชดใช้กรรมชีวิตหาความสุขความเจริญไม่ได้ มันสอย่างที่สําสำคัญการรัชั่วทำความดีการชาระจิตให้บริสุทธิ์คือหัวใจผู้ศาสนาเลยวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวพุทธเนี่ยได้มีโอกาสมาเข้าวัดมาทำบุญมาฟังธรรมแล้วก็ทำความดีอื่นๆมากมายบุญถ้าเราทำเป็นเนี่ยเราสามารถทำบุญได้ทั้งวันเลยนะแต่ถ้าเราทำให้เป็นเราก็ได้บุญน้อย บุญมีอยู่สิบอย่างคือบุญกิาวัตถุสิบอย่างข้อแรกก็คือการให้ทานอันนี้เป็นรากฐานชาวพุทธเลยคือการบาทดให้พระสงฆ์ช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็อื่นอีกมากมายการให้ทานจะมีสามชิดใหญ่ๆก็คือให้วัตถุทานแล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานบางคนก็เป็นครู สอนเด็กหรือเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคนอื่นโดยไม่ระหว่างผลตอบแทนอันนี้ก็เป็นธรรมทานเหมือนกันอย่าพระสงฆ์เทศน์โยมฟังไม่ได้สนใจรักสักระอย่าให้โยมได้ความรู้มีความเห็นถูกต้องอันนี้ก็เป็นธรรมทานอย่างข้อที่สามก็คืออภัยทานบางคนทำให้เราโกรธทาให้เราเกลียดหรือล่วงเกินเราเบียดเบียนเราแต่ถ้าเกิดเรามีจิตใจเปิดกว้าง บางทีเราก็ให้อภัยไม่อาคติไม่แค้นพยาบาทเพราะว่าการที่เราเก็บความโกรธไว้เนี่ยมันก็เผาโลจิตใจทาให้เราไม่มีความสุขอภัยทานก็ก็สำคัญถ้าใครไม่มีชีวิตก็ไม่ค่อยมีความสุขก็เก็บความแค้นไม่ตลอดบุญข้อที่สองก็คือการรักษาศีลอย่างชาวพุทธจะต้องรักษาศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผู้ทิดกาม ไม่โกหกไม่ดื่มสุราหรือสิ่งเสพติดถ้าใครไม่มีศีลห้าเนี่ยชีวิตก็มีปัญหาอย่างศีลข้อแรกเนี่ยถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตใจเราก็มีความสุขอันนี้ก็เป็นหลักประกันเป็นหลักประการชีวิตตัวเองด้วยชีวิตคนอื่นด้วยศีลข้อที่สองถ้าเราไม่ลักทรัพย์เราก็ไม่มีกรรมตัวนี้ก็เป็นหลักประการทรัพย์สินเพราะบางคนเนี่ย ทรัพย์สินถึงได้มาก็อยู่ได้ไม่นานเกิดอุบัติเหตุมั่งถูกโจล์ป้นชิงมั่งเกิดไฟไหม้มั่งเกิดอะไรมั่งเนี่ยก็พอะมีกรรมตรงนี้เอเคยทําอำไม่ดียอาไว้สิลข้อที่สามเราไม่พิชิตกิกรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักประกันครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความสุขไม่แตกแยกคนก็นําหน้าถือตาอย่างคนเจ้าชู้ก็ไม่มีใครเชื่อถือบางทีก็นับถือคนที่รักเดียวใจเดียว รักลูกรักเมียภรรยาก็รักสามีอย่างนี้ทําให้ข้อโคตรีความสุขสีข่สข้อที่สี่สี่ข้อเนี้ยสร้างปัญหาให้คนทั้งโลกเลยเพราะเดี๋ยวนี้คนเรามักจะโกหกกันแม้แต่พระ ก, ก็โกหกนะไม่ใช่โยมโกหกพะสี่ข้อเนี้ยดูยากเพราะว่าบางคนโกหกจนติดนิสยัยอ่ะย่างนี้เราหาพระที่ไม่โกหกก็มีน้อยแล้วแหละไม่วาจะเป็นวัดไหนเพราะบางคนก็พูดโกหกจนติดเป็นิสยัยพราะบางคนมีความรู้สึกว่าการโกรหก การการล่อนเนี่ยดีกว่าคนที่พูดตรงพูดซื่อสิ่งข้อ น, นี้เนี่ยถ้าใครรักษาไว้ก็จะทําให้เนี่ยมีเครดิตผู้ไรคนก็เชื่อถือเป็นบุญบรารมีถ้าคนโกหกเนี่ยผู้ไรคนก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเพราะว่าพูดแต่ละครั้งก็พูดเรื่องไม่จริงเครดิตก็ไม่มีทั้งคนที่พูดจริงเนี่ยคนจะเชื่อถือเป็นการสะสมบรารมีสิ่งข้อ น, นี้จะเป็นหลักประกันสังคม ทำให้สังคมเนี่ยมีความผาสุกสิ่งข้อที่ห้าถ้าเราไม่ดื่มสุราไม่ติดสิ่งสิ่งเสพติดต่างๆเมื่อจะเป็นบุหรี่เป็นยาบ้าหรือเอาไปบุหต่างๆเนี่ยถ้าเร า, เรารักษานะอันนี้ก็เป็นหลักประกันสุขภาพถ้าเราได้พักผ่อนชีวิตไม่เครียดพวกสุราบุหรี่เนี่ยก็ทำลายสุขภาพ ทำใหเราต้องไปหาหมอไปจําเสียเงินเสียทองสิ่งข้อเ น, นี้ถ้าเรารักษาไว้ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพบุญข้อที่สามคือการภาวนาการภาวนาพวกโยมมาวัดก็มาภาวนากันอยู่แล้วการภาวนามีหลายรูปแบบเพราะแต่ละคนจะมีอุปนิสัยแตกต่างกันมีบรารมีแตกต่างกันพระพุทธเจ้าจึงมีอุบายสอนกรรมฐานทั้งสี่สิบวิธี ถึงเรามาเจอสติแนว เ, เคลื่อนไหวก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ท, ที่ง่ายการเจอสติจะทาให้เราออกจากความคิดปรุงแต่งได้สมมุติกำลังคิดอะไรเ พ, เ พ, เ พ, พลินๆพอรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวเขาหลดจากอารมณ์นั้นอารมณ์มันมาแล้วมันก็ไปถ้าเราไม่มีสติทุกอารมณ์คือเรื่องจริงหมดแหละใครบาด่าเราเรากเก็บความแค้นเราไว้บางทีเราคุยแต่เรื่องเก่าๆนอดีตหรือไม่ลง เราสามารถเช็คได้ใครมีสติไม่มีสติคนไม่มีสติชอบพูดเรื่องอดีอดตบางทีไม่เจอกันหลายปีก็จะคุยเรื่องเก่าๆแั่นแหละเจอกี่ครั้งคะคุยเรื่องเก่าแต่ละคนที่มีสติก็จะคุยเรื่องปัจจุบันเมื่อเขสนใจดีเท่าไหร่เพราะว่าอดีตเราไม่สามารถอนั่นได้แก้ไขได้เราแก้ไขปัจจุบันได้บางทีเราจะเคยทาําอะไรผิดพลาดไว้เป็นแผลใจก็ต้องปล่อยผ่านเลยไปเราก็มา สร้างความรู้สึกตัวทำให้เราอยู่กับปัจจุบันโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะคิดทั้งวันแหละคิดทั้งแตดด่ตื่นจนถึงหลับถ้าคนไม่มีสติก็ไปฝันต่อทุกเรื่องก็คือเรื่องจริงแต่ถ้าเรามีสติอยู่บ้างเราก็รู้เมื่อกี้เราเผลอไปแล้วแล้วก็หลงใหม่แล้วก็เผลอไปแล้วหลงใหม่เราจะรู้ว่าเราเผลอถ้าเรารู้เราเผลออะเรามีสติแล้วถ้าไม่รู้ตัวเองทั้งวันเลยอะอยู่ในโลกความคิดปรุงแต่งเยาวีหอ็ดอันนั้นเราก็ไม่มีสติ มันสั่งให้เราทำเราทำอะไรเราก็ทำตามมันตกไปทางความคิดไปชีวิตก็ไม่มีสละงั้นเราก็ต้องมาภาวนาบุญข้อที่สี่ก็คือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนข้อนี้ก็มีความสําสคัญเราสังเกตนะมีคนความรู้ท่มหัวตัวไม่รอดก็เยอะแยะในสังคมเนี่ยเพราะว่าขาดความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่หญิงยโสไม่มีรู้สัมพันธ์หรือไม่มีมีสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานบางทีก็ตัวไม่รอด ถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้การาธิษอันไหนควรไม่ควรอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำควแสดงไม่ควแสดงชีวิตเราก็มีแต่ความก้าวหน้าศัตรูเราก็ไม่ค่อยมีมีความเจริญเพราะว่าเราอ่อนน้อมเราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เ้าเมตตาเราอย่างเราเป็นพระเดี่ไปวัดไหนเราไปกราบจเจ้าวาดก่อนเราไปกราบท่านตีสนิทอย่างเงี้ยท่านก็เห็นเราเป็นเด็กมาเขาโลบท่านก็เอื้อเฟื้อ เมตตาให้ธรรมะมั่งแล้วก็อย่าอื่นอีกให้ความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดถึงพระแม่ชี้เหมือนกันบางทีไปวัดอุ่นวัดนี้เราไว้ยกมือไหว้แม่ชีที่เขาอยู่ก่อนบางทีเ่เขาอำนวยความสะดวกให้แต่ถ้าเราไปถึงแล้วไม่รู้ไม่ชีเงี้ยเขาเขาจอำนวยความสะดวกให้เราข้อ น, นี้เป็นเรื่องโลกทัานคนอ่อนร่ำสมตัวไปอยู่ที่ไหนก็ได้ชีวิตไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้นบุญข้อที่สี่บุญข้อที่ห้า บุญสำเร็จจากการช่วยเหลือขนวายข้อนี้ก็ทำเงินง่ายอย่างพวกโยมมาวัดเห็นขยะเราก็ช่วยเก็บไปทิ้งเห็นใบไม้ลกตกเกลือเนี่ยเราก็ช่วยฝาดให้วัดสะอาดพอพอวัดสะอาดปุ๊บเราเราก็จิตใจสะอาดด้วยเห็นลงครัวทําอาหารเราก็ไปช่วยทําช่วยยกช่วยล้างจานช่วยถูสาลา ช่วยนู่นช่วยนี่แหละเห็นต้นไม้ที่เป็นอันตรายมีหนงพิณ้ำฝางทางเผื่อคนเดินซุมซ่ามเกี่ยวโดนลูกตาบอดอย่างเงี้ยเราก็ไปตัดเอาออกเห็นแก้วตกบนถนนเผื่อใครเดินเหยียบหรือตะปูอะไรพวกเนี้ยเราก็เก็บไปทิ้งหรือเห็นถนนลื่นเป็นอันตรายคนแก่ถ้าลื่นลม้มอาจจะพิกงพิการได้เราก็ช่วยไปทำให้มันหายลื่น ตรงไหนจะพรงจะพังเนี่ยเราก็ไปซ่อมให้คนที่ใช้ได้ปีพอปลอดภัยอันนี้ก็เป็นบุญจากการช่วยเหลือขนวายบุญข้อนี้ทําง่ายบุญสําเร็จด้วยการช่วยเหลือขนวายบุญข้อที่หกบุญสําเร็จจากการแผ่เมตตาหรือแบ่งปันความดีข้อนี้เราก็ทําอยู่เราแผ่เมตตาให้พ่อแม่ให้เจ้ากรรมในเวร ให้สรรพสิ่งต่างๆเนี่ยกระจัดอยู่ในหมวดข้อนี้หรือชักชวนให้คนมาทำความดีชักชวนคนที่ไม่เคยเข้าวัดให้มาวัดมาทําบุญมาฟังธรรมหรือบางทีเราทําบุญคนเดียวแต่เราก็มีความรู้สึก่งอยากแบ่งไปให้คนได้ร่วมบุญกับเราเนี่ยเราก็ไปเชิญเขามาทำบุญด้วยอันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดแบ่งปันความดีมาร่วมกันทําเนี่ยอย่างเราถูสาราคนเดียวคนสองคนเนี่ย ก็ได้บุญแต่เราอยากให้เพื่อนมาช่วยถูด้วยอันนี้เขาจะได้บุญร่วมกันเป็นความสามัคขีของวัดอันนี้ก็จัดอยู่ในหมวดแบ่งปันความดีหรือทำความดีอื่นอีกมากมายทำให้เพื่อนเนี่ยมีความสุขด้วยคุณค่าของคนก็อยู่ที่การทำความดีนี่แหละถ้าคนที่ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ค่อยมีคุณค่าชีวิตก็ไร้ค่าบุญข้อที่เจ็บบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญ้อนี้ทาง่าย เราเห็นใครทำความดีแล้วก็สาธุสาธุด้วยความจิกใจนะเห็นใครทำบุญใส่บาตรแล้วก็สาธุอนุมโมทนาบุญด้วยเห็นใครถวายสังฆท า, านแล้วก็สาธุเราก็ได้บุญด้วยเห็นใครสร้างโบสถ์สร้างวิหารช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรือทำความดีต่างๆแล้วก็สาธุเราได้บุญหมดเลยจิตเราก็จะอ่อนโยน แต่ถ้าเราจิตหยาบเนี่ยเราเห็นใครทําความดีแล้วก็บั่นไส้ไอ้นี่ทํําทาบุญเอาหน้าหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ได้บุญนะเห็นใครทาดีเราก็หมั่นไส้อิจฉาก็มีาาคาตาคําตาบางครั้งตามด้านงสือพิมพ์เนี่ยเราจะเห็นข่าวที่ไม่ดีอยู่เสมอข่าวคนปบีดเปลี่ยนกันข่าวคนฆ่าทําร้ายกันข่าวภาพไม่ดีเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาไม่ค่อยลงสิ่งที่ดีเท่าไหร่หรอกเขาชอบลงสิ่งที่ไม่ดีเพื่อาขายขายออก บางทีเาก็ลงบิดเบือนก็มีข่าวจึงเราต้องกรองอ่ะว่าจริงหรือเปล่าไม่ใช่จะเชื่อได้ทุกอย่างนั่นเราก็ต้องวางใจเป็นเบกคขาแหละเมือไหรเราทุกถ้าใครทำพอดีเราก็สาธุเราก็ได้บุญด้วยทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นคาเคยชินทำได้ทุกแห่ผลทุกแห่งมาบุญข้อที่แปดบุญสำเร็จจากการฟังธรรมอย่างตอนนี้พวกพวกโยมฟังอมาพูด ก็ถือว่าอยู่ในหมวดฟังธรรมอยู่การฟังธรรมมีที่สงห้าประการคือหนึ่งทำให้เราเนี่ยได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นสามทำให้เราเนี่ยหายสงสัยเพราะบางเรื่องผู้พูดอาจจะพูดให้เราเนี่ยปิงขึ้นมาก็ได้หรือให้เราสงสัยอยู่แล้วก็สี่ทำให้เกิดความเห็นที่ตรง เพราะบางครั้งเราก็มีความเห็นที่ผิดอ่หละไม่เชื่อว่าบุญมีบาปมีนิพพานมีชาติที่ชาตหน้ามีกรรมมีเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําบุญได้ถึงทําก็ได้บุญน้อยถ้าเรามาฟังทำเนี่ยเราก็ทําให้หลุดจากทิฏฐินี่ได้แล้วอันที่สอข้อที่ห้าก็คือทำให้จิตผู้ฟังเนี่ยแจย่มใสเพราะช่วงที่ตั้งใจฟังเนี่ยจิตจะเป็นสบาธที่นิวรณ์เขาเข้ามารบกวนเราไม่ได้ การฟังธรรมจรงมีนิสงได้ปัญญาด้วยได้เจริญติด้วยแล้วก็ได้สอบอารมณ์ด้วยบางทีผู้พูดพูดไม่ขัดพูดขัดใจไม่เข้าหูเงี้ยเราจะรู้สึกรำคาญผู้พูดไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วถูกใจทุกเรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้อาจารย์เพราะเราต้องเรียนรู้เรื่องถูกขัดใจด้วย เพราะจดิตนิสัยคนเราไม่เหมือนกันพอดีฟังคนนี้โอ้โ oh, หชอบใจเหลือเกินฟังคนนี้เมื่อไหร่จะจบแล้ทีฟังแล้วน่ า, ารําคาญพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่แล้ฟังด้วยใจไปกลางๆใครพูดดีพูดไม่ดีก็ช่างเราก็ทำเป็นทำหน้าที่เป็นผู้ฟังอันนี้ด้านที่สองแต่ถ้าเราฟังทําไปขัดใจไปเราก็ไม่ได้บุญข้อนี้อาจจะได้บาปแทนก็ได้จะเกลียดขี้น้าผู้พู ด, พดต่อมามาบุญข้อที่เก้า บุญสำเร็จจากการแสดงธรรมการแสดงธรรมนี่พูทญาณโยมอาจจะต้องคิดว่ามีแต่พระเท่านั้นที่แสดงธรรมได้ที่จริงก็ไม่ใช่โยมก็แสดงธรรมได้บางครั้งเราเห็นคนที่กําลังทุกข์อกหกักท้อแท้ชีวิตเนี่ยเราไปพูดให้เขาเนี่ยมีกําลังใจสู้ชีวิตให้เขาไม่ท้อแท้เลิกคิดสั้นฆ่าดัวดตายเนี่ยเราแสดงธรรมแล้ว พูดหวานล้อมช่วยเขาให้เขาเห็นคุณค่าของชีวิตคุณเขาเกิดกําลังใจหรือเราเห็นบางคนหลงมากๆเนี่ยเราชี้แนะเขามาปฏิบัติธรรมหันหาครูบาอาจารย์ชี้แนะวัดอันนี้ก็คือเป็นการแสดงธรรมแต่ต้องมาวัดที่สมาธินะถ้าไปวัดที่งมงายก็บางทีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรวัดปลูกวัดเสกหรือวัดที่ไม่สอนธรรมะวัดที่ไม่พูดเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ พอบางวัก็ส่งเสริมเรื่องไปสวรรค์คือทําบุญร้อยบาทก็ได้ให้ถูกหวยรวยเบอร์หรือไปสวรรค์ชั้นนู้ชั้น น, นี้อะไรย่างนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไปทําบุญด้วยวาเห็นาตัวทําให้เกิดกิเลสมากกว่าเดิเมเพื่อได้แล้วมีอีกข้อหนึ่งที่นักแสดงธรรมมองข้ามไปก็คือการฟังบางทีเราฟังคนที่มีปัญหาชีวิตได้ร ะ, ะบายเนี่ยให้เขาเนี่ยได้ปลดปล่อยมั่งก็เป็นการแสดงธรรมนะทําให้ผู้พูดเนี่ย ไม่ต้องเก็บกดความหนักใจไว้ได้ระบายถ้าเราฟังเป็นไม่ไปซ้ำเติมเขานะแต่ถ้าเราฟังไม่เป็นเราก็ไปพูดขัดคอเขาม้างซ้ำเติมเขาม้างทำให้ทุกข์หนักกว่าเดิมอีกนี่ก็ไม่ใช่แสงทำบางคนเราไม่สามารถพูดตรงๆได้แต่บางคนพูดตรงได้ต้องดูคนไปเพราะแต่ละคนจะพิสยัยมีวาสนาบารมีไม่เหมือนกันอย่างในวัดเนี่ยเรามาบางคนกันมากล้าพูดตรงบางคนอนมาไม่พูดเลย ตรวจดูนิสัยแล้วบางคนที่สายดื้อเดี๋ยวเราก็ไม่ไม่คุยด้วยไม่พูดธรรมะหรืออะไรด้วยบางคนที่มีสายเปิดใจกว้างเราเห็นทําผิดเราก็ชี้แนะได้เลยกล้าบอกกล้าเตือนบางคนบางคนอัตตามากเราไม่ยุ่งตัวใครตัวมันเจอกระทักกันหนึ่งคำอะไรเงี้ยเราใช้ยุทธ์เป็นด้วยเพราะมันมีไม่ชนะที่ของเราที่ต้องไปไปพูดธรรมะไปบอกคนพวกนี้ให้เหมือนดังใจเรา หน้าที่เราก็คือก็ปรับปรุงแก้ไขตัวเองสึกฝนตนเองเพราะเราไม่แก้ไขตนเองเนี่ยเราก็ต้องทุกข์ก็แหละเราก็ต้องโดนกิเลสครอบงำโดนความคิดปรุงแต่งครอบงำช่วยได้เท่าที่ช่วยได้อันนี้เป็นอุเบกขาเหมือนกันถ้าไปยุคคือย่ามากลายเป็นทะเลาะเบอาแวงอีกนอกจากไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วกลายเป็นเกิดปฏิฆะเป็นศัตรูอีกการมีมิตรคนเนี่ยถ้ามีศัตรูหนึ่งคนเนี่ยเถอะมากแล้วนะ แต่บางคนไม่รู้เนี่ยแทนที่จะมีมิตรสิบคนเนี่ยกลายเป็นมีมีศัตรูต้องแปดคนเก้าคนชีวิตนี่แย่เลยมองไปทางไหนมีศัตรูไม่มีใครรักเราเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไหวแล้วต้องต้องพินาศตนเองแต่เราก็ไม่สามารถทําให้ใครคนอื่นชอบเราได้นะเพราะนี่เป็นคนเราก็คบออกันได้ท่าถ้าเราหวังใ่้ผูอยู่ชอบเราเนี่ยเราก็เตรียมผิดหวังได้เลยเพราโดยธรรมชาติเนี่ยคนก็รักตัวเองก็แหละแล้วก็ครบกัน เพราะถ้าตรงการอย่างคนกินเหล้าก็อชอบคุยกับคนกินเหล้าด้วยกันคนดูบุหรี่ก็ชอบพบคนดูบุหรี่ด้วยกันคนติดยาก็จิตมันก็พาไปหาคนติดยาด้วยกันคนบ้าบอลมันก็ไปหาคนบ้าบอนลนั่นแหละคุยกันเรื่องบอลคนบ้าอะไรมันก็ไปหาอย่างนั้นแหละคือคุยแล้วสู่คอไงทํำให้ตัวเองไม่มีฟ้าสื่อตัวเองผิดแต่เดี๋ยวคนบ้าการบันนานไปคุยกับพวกธรรมะเอ้ามันก็รู้สึกขัดแย้งแล้วคุยกันไม่ได้ อันคนเราจึ่ายงคบก็ได้ธาตุอันทุกคนสามารถแสงธรรมได้หมดอย่างพระแสงธรรมให้โยมก็ต้องปราถนาให้โยมเนี่ยเกิดประโยชน์จากการฟังธรรมแสงธรรมโดยไม่ตัดใจความแล้วก็ไม่เห็นแก่ราสักการะคือไม่หวังผลประโยชน์จากโยมปร า, านาดีต่อผู้ฟังอันนี้อันนี้เป็นหน้าที่ของพระแล้วมาบุญข้อสุดท้ายบุญสาเร็จ ด้วยการทำความเห็นถูกต้องความเห็นให้ถูกต้องในที่นี้ก็คือสามาธิติจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือก็สอนให้เราเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวทำบุญก็ทำบุญแบบเหมือนสละตัวตนเนี่ยคือลดละอัตตาถ้าเกิดเราทำบุญไม่เป็นเราก็จะเป็นการเพิ่มอัตตาก็ได้เพิ่มตัวตนฝ่ายให้คนมายกย่องเรานับถือเรา แล้วก็วังอะไรอื่นอีกมากมายแหละชื่อเสียงเพราะอัตราของเราเนี่ยใครมีมากก็ทุกมากแหละเราสังเกตนะพวกที่มีตําแหน่งใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีนายกหรือราชาการชั้นสูงเนี่ยจะมีความทุกข์มากคนธรรมดายางเขาก็เสียหรือยางเขาพ้นจากตำแหน่งแล้วมีหลายคนเนี่ยคิดถึงความหลังคิดถึงอดีตที่เคยรุ่งโรจน์แต่ถ้าปล่อย รู้จักหัวโขนนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกมีสรรเสือ่อมมีินทาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ไม่ทุกเท่าไหร่รับได้ช่วงมีลาบก็ดีไปช่วงที่เสื่อมลาบเราก็ไม่เสียใจช่วงที่ถูกคนนินทาเราเราก็รับได้เพราะคนไม่ถูกอินทาไม่มีโลกหรอก อย่างตอนนี้ก็ที่เฟซบุ๊กเนี่ยก็มีมีพาดโดนด่ากันเยอะบางทีโดนโยมด่ากันเสีย ห, หายเรื่องบะทวงบ้างเรื่องธรรมกายบ้างเรื่องสมเด็จช่วงบ้างบางทีคนที่ด่าก็ผู้ชับหยาบก็มีแล้วก็มีเจ้าคุณอีกหลายท่านก็เสียคนเพราะว่าไม่ใช่เป็นพาดแล้วคนจะไม่ด่าไอ้คนที่ชอบเขาก็นับถือไอ้คนที่ไม่ชอบเขาก็ด่าพูดให้เสียสียให้หาย ถ้าเราเข้าใจลกูกกระทั่มเนี่ยแล้วก็ยอมรับได้ใครจะด่าก็ด่าไปใครชมก็ชมไปแต่ถ้าเราอยากให้คนชมเราหมดไม่มีใครด่าเนี่ยไม่มีใครวิาพากษ์วิจารณ์เป็นไปไม่ได้หรอกแล้วบางครั้งเราก็มีมีสุขเราก็ต้องมีทุกข์แหละเราจะเอาแต่สุขอย่างเดียวก็ไม่ได้อย่างเราสวดมนต์ทุกเช้าเนี่ยเราก็จะพรรณนาถึงความไม่เที่ยงความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ความพัดภาคจากของรักของชอบใจความปัจนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทำให้เราเห็นความเป็นจริงของชีวิตเห็นสัจธรรมเพราะถ้าเราไม่เห็นความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยเราก็จะหลงประมาทเพราะหลงประมาทเราก็ไม่ทำความดีเราก็ทำตามกิเลสดิ้นรนสะสมทรัพย์สมบัติสะสมชื่อเสียงโดยลืมไปว่าเราเนี่ยขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ย มีสิ่งที่มีอิทธิพลครอบงมจิตใจเราอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งเรื่องอายุเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราเนี่ยจะมีอายุเท่าไหร่บางคนตายได้อย่างเด็กเรียนบางคนเรียนหนังสือจบ ก, ก็ตายบางคนเพิ่งทำงานก็ตายบางคนตายยังวัยตอนวัยกลางคนบางคนตายแก่ตายบางคนอยากตายก็ไม่ไมตายก็มีนอนเจ็บป่วยเปสี่สิบปีจะตายก็ตายไม่ได้เราไม่รู้เรื่องอายุเลยไม่มีหลักประกัน แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยตอนไหนวันนี้เราอาจสุขภาพดีแข็งแรงแต่ต่อไปไม่แน่ตอนนี้เรามเอาอยาว่าครบสามสองเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุพิกงพิการก็ได้อันนี้ไม่มีหลักประกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราจะตายเวลาไหนเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนเราก็ไม่รู้วอะไรตายที่ไหนตายในน้ํา ตายบนภูเขาตายในป่าตายในประเทศตายต่างประเทศตายในบ้านตายนอกบ้านเราไม่รู้หมดแหละเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนข้อสุดท้ายนี่ก็เป็นอาินตายมีมีแต่ผู้ที่เจ้าที่พยากรณ์ได้ตายไปแล้วก็ไปตามยถากรรมเราไม่ประมานเราก็ทำความดีไว้ทาบุญรักษาศีลภาวนาเราตายเราก็สามารถไปสุคติได้แต่ถ้าเราทาให้ดีทาจะบาป ทางกายวาจาใจตายไปเราก็ไปทุกขกติ่ะแหละหุ่นบากก็เป็นเหมือนเงาตามตัวอย่างมีนิทานอยู่เรื่องหนึง่งมีชายคนหนึง่งมีภรรยาสี่คนชายคนนี้รักภรรยาทั้งสี่ไม่เท่ากันภรรยาคนแรกเป็นคนที่ชายคนนี้รักมากที่สุดเฝ้าทนุถนอมเอาใจใส่ภรรยาคนที่สองชายคนนี้ก็รักเหมือนกันแต่รักรองลงมา เขดูแลใจแสบอย่างดีแหละภรรยาคนที่สามไม่เยรักเท่าไหร่แต่ก็ห่วงยายอยู่บ้างนานๆก็แวะไปหาเยี่ยมเยียนเป็นบังค้าบางาังคาภรรยาคนที่สี่ชาวนี้ไม่รักเลยแล้วก็ไม่ห่วงยายถ้าจะไม่ค่อยพูดถึงด้วยซ้ําแล้วมาวันหนึ่งชายคนนี้ก็ได้ทําความผิดแล้วต้องทั่วประหารชีวิตไหนๆก็รู้ตัวว่าจะตายแล้วจึง เรียก พ, พยามจีมาหาแล้วว่าถามว่าพี่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยพวกเธอสี่คิดยังไงจะทําไงต่อไปกับพี่ภรยาคนแรกเป็นคนที่ชาวนี้รักมากเขาบอกว่าถ้าพี่ตายเนี่ยเราก็คงจบแค่นั้นภรยาคนที่สองก็บอกว่าถ้าพี่ตายฉันก็จะอยู่กับคนอื่นภรรยาคนที่สามเขาบอกว่าก็จะอยู่กับพี่จนถึงนาทีสุดท้าย ถึงตอนนี้พี่โดนประหารภรรยาคนที่สี่คนที่สามีไม่เคยรักเลยก็บอกว่าจะไปกับพี่ทุกคนทุกแห่งชายที่จะถูกประหารชีวิตเนี่ยพอได้ฟังภรรยาคนแรกเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังพระอุษาทุ่มเทฟารมรักให้มากที่สุดดันมาพูดว่าจบกันตายคือจบกันแค่วันนั้นแล้วก็ผิดหวังกับภรรยาคนที่สองที่ว่าจะไปอยู่คนอื่น แล้วรู้สึกเห็นใจภรยาคนที่สามที่ตัวเองไม่รักเี่ยก็อุตส่าห์ห่วงอยู่ดูใจจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งกับภรยาคนที่สี่ที่ตัวเองไม่ชอบเลยไม่ได้นึกรักอะไรกับเป็นห่วงและรักตนติดตามตนไปทุกคนทุกแห่งจะบรรักก็ตอนนี้ก็สายซะแล้วปิติธรรมในนิทานเรื่องนี้ก็คือภรยาคนแรกก็คือร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมไป อยู่กับเราได้จนถึงวันตายเท่านั้นไม่สามารถอยู่ไกลกว่านั้นภรรยาคนที่สองก็คือทรัพย์สมบัติพอเราตายไปทรัพย์สมบัติก็ไปของคนอื่นไม่ใช่ของเราแล้วตอนนี้เราแค่ยืมใช้ชั่วคราวเท่านั้นส่วนภรรยาคนที่สก็คือญาติพี่น้องญาติพี่น้องสามีภรรยานี้ไปส่งเราได้แก็แค่เมนหรือแค่หลุมฝังศพเท่านั้นไปไกลกว่า น, นี้ไม่ได้ส่วนภรรยาคนที่4เนี่ยก็คือกรรมกรรมหรือบุญบาป อันนี้จะติดตามเราไปทุกโขนทุกแห่งทั้งชาตินี้และชาติหน้าชีวเราต้องไม่ประมาทต้องมีสมารทิที่มีความเห็นถูกต้องมันทำความดีอย่างไนโอวาพระพระปริมโมกเนี่ยที่พระเจ้าแสดงเนี่ยก็คือละควารรมชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ถ้าเราทำบ่อยๆเราก็เป็นชาวผู้ดีอ่านมาเห็นว่าพูดมาก็สมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีความสุขความเจอทำยิ่งขึ้นไปสาธุ